จริงพวกเรานั่งภาวนากันน้อยไปเนี่ยแล้วนั่งภาวนาแค่ น, นี้เราอย่าไปคิดว่ามันมากมันไม่มากน้อยเดียวเนี่ย <inander> น้อยเดียวน่ะ <stato> ผมเข้าไปอยู่บรรดาเนี่ยผมอยู่ทั้งคืนทั้งคืนทั้งคืนเลยนะแต่คำว่าทั้งคืนเนี่ยเ <Samantha> พระาพระามันมีแต่อยากภาวนาเนี่ยมีแต่อยากภาวนาเนี่ย ไอ้ทั้งคืนเนี่ยคือจะนั่งเยียดก็ได้จะอะไรก็ได้อยู่ทั้งคืนไอ้อยู่ทั้งคืนนี่ น, นับไม่ครบนับไม่ทั่วเลยเกือบทั้งเกือบทุกวันเลยภานาทั้งคืนแต่มันไม่ได้อยู่ในเรียบทเดียวนะอยู่เรียบทเดียวไม่เปลี่ยนไม่คลิกไม่เปลี่ยนนี่โอ้โหนานหลายปีกว่าจะทําได้ทําได้นะ ทำได้เนี่ยผ่านมานับคืนไม่ท้วนน่ะตั้งแต่แตะวันยังไม่ตกดินจนสว่างขึ้นวันใหม่เนี่ยแสดงวันนั้นเนี่ยไม่ต้องฉันแลวันนั้นไม่ต้องฉันและอั น, นิสัยเราชอบอดมันก็อดประกอบเรื่องออย่างนี้ด้วยมันมันประกอบเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราไปเราไปปีแรกเราเอาปฏิโมกไปทิ้งนะเราไปมันตาน เราเข้าไปบันตัดอยู่กับหลวงปู่เขียนก็ทํามาทํามาเรื่อยๆทํำได้บ้างทําไม่ได้บ้างทําบ้าง ม, มันเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเข้าเดียเด๋ยวจริงจังเต็มที่พอเข้ามาบาารรทัดคราวนี้มันมันปรับใหม่นะแล้วนนี้ปรับใหม่เราอยู่บรนพชนเราก็ส่วนปฏิโมกขรปูปทุกอุโบสถเนยส่วนปฏิโมก พอเข้าไปบรตดาลเอาไปทิ้งเลยนะทิ้งเลยไม่สนเลยไม่สนปฏิโมกเอาไปทิ้งเลยไม่ได้อยากภาวนาลูกเดียวนเลยเพราะฉะนั้นพเรามานั่งแค่แค่นี้นี่นิดหน่อยนิดเดียวไม่พอเหน็ดไม่พอเหนื่อยเลยไม่พอเจ็บไม่พอปวดไม่พออะไรเนี่ยไม่พอจะเจ็บไม่พอจะปวดไม่พอจะสู้กันเนี่ยสู้กันยังไม่ได้แค่หนึ่งยกเลยเอา เอากรับสิบยกสิบห้ายกยี่สิบยกสามสิบยกสู้กันไปเรื่อยเสู้กันไปเรื่อยเอเอาห้าสิบย ก, กอะมาเที่ยงคืนซะเอะฟาฟาดมันร้อยยกอะตลอดทั้งคืนะ่ะเราดูซิโยคือมันอยู่ระยาบทเดียวไม่ได้เราจะเหยียดบ้างเราจะพลิกบ้างเราจะเปลี่ยนบ้างอะไรบ้าง แต่มันอยู่ทั้งคืนอยู่ทั้งคืนนี่นับไม่ถ้วนเกือบทุกคืนว่าักเในขณะเดียวกันเราก็ฝึกเราก็ฝึกเพื่อเพื่อจะให้มันตลอดรุ่ง น, นี่คือฝึกที่อยู่ทั้งคืนทั้งคืนฝึกเพื่อให้มันตลอดรุ่งที่ฝึกอยู่ตลอดทั้งคืนนะทำไมถึงอยู่ทั้งคืนไม่ใช่อยู่ศัตรวายอยู่นะ เป้าประสงค์อยากอยู่ให้มันได้อิริยาบดเดียวตลอดคืนโอมันไม่ได้ง่ายๆนะสิบปีกว่าจะได้เนะี่ยไม่ใช่ปุ๊บพับทําได้เลยนั่นนะผมถึงว่ามันจับเสืออเอเอเส้อมือเปล่าไม่ได้นั่งอิริยาบดเดียวตลอดทั้งคืนจับเสื้อมือเปล่าไม่ได้ถ้ามันไม่มีอะไรรองพื้นรองท้องรอง ไม่ได้จับไม่ได้เอาจับเสียมือเปล่าไม่ได้พอถึงตอนนั้นเนี่ยมันไม่มือเปล่าแล้วก่อนที่เราจะไปได้เนี่ยมันไม่มือเปล่าแล้วมองเห็นเป็นเรื่องอื่นไปหมดแล้วทิ้งได้หมดแล้วทิ้งได้หมดแล้วพอถึงเวลากำเนิดออกมาเนี่ยมันก็ตื่นจากตายแล้วมันก็ตื่นจะทิ้งไปแล้ว เจนสว่างเล่ะสว่างนั่งตั้งแต่ยังไม่มืดนะ่ะเขาจนสว่างร่ำวันใหม่เนี่ยทําได้นะเพราะไม่เคยล่ฟังดอกไม่เคยล่าฟังไม่ไล่ฟังดอกบางทีมีรุ่นมีนี่นีนี่เน่อ ย, ย, ยไปไล่าฟังแล้วไปจืดกร่อยไปคุยไ ป, ไปนู่นไปนี่กลายเป็นดิบดีวิเศษวิโสหนักเกินโลกเกินสงสารไปแล้วนี่มันจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะ เราฟังดูให้ดีก็นแล้วกันที่ผมพูดธรรมะให้หมู่ฟังพูดธรรมะปเทศในที่ต่างๆเนี่ยผมพูดแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติเป็นส่วนมากเพราะคนจำวนมากมันไปยึดตผลพูดกัใครพูดกับใค ร, ใครเหมือนก็อย่าไปล้วงดูแต่ว่าในกระเป๋าเขามีอะไรบ้างในกระเป๋าเขามีอะไรบ้างกระเป๋าตัวเองไม่เคยดูอยากดูในสุก็ทําตามไม่ได้กเท้อ ทำตาอู้ทำไม่ได้อู้เราทำไม่ได้อู้เราทำไม่ได้ mm hmm. คนเอานั้นมาพูดให้ฟังเอานี่มาพูดให้ฟังท่านเหลือเดือนตายมาแล้วท่านมาพูดให้เราฟังแต่เรายังไม่ขยับยังไม่ได้สนใจเลยว่าเราจะตั้งใจจเจ้าอย่างนั้นอยากจะล่วงแต่กระเป๋าเขาอ่ะอยากแต่จะล้วงจากกระเป๋าเขามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ทีถ้าคนไม่ใช่ระดับลงตาลงตาถึงกระนั้นก็ตามท่านเอามาเปิดเผยตอนไหนเรารู้ไหมว่าท่านจะามาพูดเป็นที่เพราะท่านบอกว่าพวกเรามันชอบยึดท่านไมเอามาเล่าให้ฟังหรอกเนี่ยตอนช่วยชาตินะท่านถึงมาเปิดเปิดเผยจริงจังเต็มที่เลยตอนเนี้ไอพวกเรายังไม่อะไรเลยบมงทีปุปป๊บปั๊บไปเอาอะไรเยออกมาหมดแล้ว บางคนกดูอันนู้นเป็นประทาดอันนี้เป็นประทาดนมุงตาท่านพูดที่ไหนเราไม่ได้ยกตนเทียมท่านแล้วก็พวกเราเขาไม่ถึงท่านแล้วเร า, เราไปทำเหมือนท่าน <c oughs> ขอให้เราตั้งใจมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติให้มงงากๆก็แล้วกันแหละ ข้อปฏิบัติตั้งใจให้มากเพราะเรามาทำแค่นี้มันไม่ได้นาได้หลังอะไรข้อสำคัญที่สุดคือสู้เวทนารู้เรื่องเวทนาเพราะจะมันมาเข้าหลักนี่หลักมหาสติปัฏฐานันมันถึงเข้ากันจะสจะสูส้สยังไงที่หลวงตาท่านพูดผมพูดผมพูดป ล, า, ปลายทั่วๆไปแต่มุม้างไม่ออกหรอก ถ้าเจ้าของไม่ได้ทําไม่ได้ตั้งใจที่จะทําด้วยและไม่เปลี่ยนไปอย่างนั้นเราก็มัฟังไม่ออกดอกแล้วก็บางทีครูบาอาจารย์ท่านตั้งใจพูดจริงจังเราฟังไม่ออกเราฟังไม่ออกเพราะอะไรเพราะเราไม่เปลี่ยนเราทําไม่เปลี่ยนเราฟังไม่ออกบางทีเราฟังออกแล้วก็ออกไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยท่านเย็บมาเนี่ยเราก็รู้แล้ว นีวว่เราว่าพวกเราทํำทำกันน้อยไปทํากันน้อยไปมาพูดมาทางแค่นี้แล้วก็บางทีว่าพลาทําแค่นี้แล้วไปก็ไปทิป้งทั้งวันะไปนี่ก็ทิ้งทั้งคืนแล้วก็กลางวันแล้วก็ทิ้งกันทั้งวันแล้วก็ไอ้วันที่ไม่พามาเนี่ยก็ทิ้งทั้งวันเลยนะั่นน่ะทิ้งทั้งวันทั้งคืน น, ะนั่น นอกจากทิ้งทั้งวันทิ้งทั้งคืนแล้วนะไอ้วันที่เราพามามันก็ได้แค่นี้แล้วก็วันที่ไม่พาลงก็ทิ้งทั้งวันทิ้งทั้งคืนยีิบสี่ชั่วโมงทิ้งหมดเสราจแล้มาเรียกรอหาผลมันจะได้ผลที่ไหนมันไม่ได้ดอกท่านจึงให้อยู่ทุกอิริยาบถให้เรียนให้รู้ให้อยู่กับมันทุกอิริยาบทถูกอวิชชาครอบงำ ท, ทุกเวลาทุกนาที เรารู้ได้อย่างไรเรารู้ว่าอ้คณะก่อนเราทําอะไรคณะนี้เราทําอะไรคณะควอนพาคุยอะไรพานึกอะไรพาพูดพาคุยพาอะไรอะไรสภาวะสารพาัดเอ่ะทำไมมันนึกไปได้แล้วทำไมมันคิดไปได้ทำไมมันพาพูดพาปรุงพาอะไรไปได้ก็ก็เราไม่เคยสนใจเราไม่เราไม่ได้สนใจลองกำหนดอยู่กับลองให้มันมีวิชาโร่ตลอดลองดูมันอยู่ยังไงมันโรยอยมันสว่างไง ในในขณะที่มันสว่างมันร่อยู่นั้นสติสัมปชัญญะเต็มที่เต็มเปี่ยมอย่างหนึ่งอวิชชามันเคลาดไปไหมอวิชชาตัโมหะมันอันเดียวกันสมุทัยตัวกิเลสตันหาสวามันแทรกเข้ามาเพราะสิ่งเหล่านี้มาปกมาคลุมมันก็มาในฉากเดียวกันเลยมันไม่ใช่มาคหลายฉากมันเป็นตัวเดียวกันเลยแหละแต่ท่านเรียกท่านเรียกชื่อให้เราให้เราเข้าใจเท่านั้นเอง มันแยกชื่อให้เราเข้าใจแต่ท่านไม่แยกมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาแนะมาบอกมาสอนให้เราเข้าใจเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างถ้าไม่แยกมาถ้าแยกมามันก็เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวก็ต้องเรียกชื่อให้มันถ้าเราไม่เรียกชื่อมันก็ดูแต่อาการของมันมันเป็นอะไรช่างมันดูแต่อาการของมันดูแต่ความจริงของมันนั่งกวาดเลยสมมุติเลยชื่อ เลยสมมุติบรญญัติไปแล้วที่ท่านแยกมาเรียกว่าอันนั้นเป็นนน้นเป็นนั้ น, queda, น, raktion, น etera, ้นเป็นนั้นพอแยกออกมาแล้วก็ต้องเป็นเรียกชื่อมันนันชื่อนั้นนั่นชื่อนั divine, <ๆ>้นน <Period>. ั being, ่นชื่อนั้นทําไห้ตั้งชื่อมันเราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแต่เวลาเราทําจริงๆเราดูเข้าไปที่ความเป็นที่มันเป็นอยู่เราดูปฏิเสธนั้นเลยชื่อเข้าไปอีกนั่นเลยชื่อเข้าไปเลยสมมุติบัญญัติเข้าไปเลยดูนั้น่ะ สามารถเข้าไปถึงตรงนั้นถึงตรงนั้นแลยมันมันค่อยเป็นไปมันค่อยเปลี่ยนค่อยไปเหมือนอย่างมาดูที่ความโกรธของขิตเนี่ยไม่อาวิชา ม, มาครอบมันมาครุมมันมาปิดบาดดงจิตแบบนี้เราต้องการรักษาอารมณ์เราเหรนห้ยาวยือสงบก็ไปยาวมันเป็นเรื่องของความสงบ เลยนั้นไปแล้วมันจะมันจะเป็นสงบมันจะเป็นการกระโดดกรดกพิกแปลงพิจารณาและเราจะกระโดดกรดิกพิกแปลงไปยังไงมันเพราะมันมีตัวนี้เป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานทุนกิจแล้วนั่นคือมีสมาธิมีความสงบมีความแนบแนบเป็นบาตเป็นฐานเป็นพื้นเราจับเระจับมาแค่นี้เราก็พยายาจับหลักหลักได้นาำภาวนากำหนดภาวนาดูความสว่างโร ของิที่มันไม่ถูกความความความมืดที่ไม่ถูกอวิชชามันมาปกมาคลุมมาอ่อมาหุ้มดูให้มันเห็นสว่างเห็นอะเห็นโรคดูไปตอนนั้นท่าวร์ท่าวรจะแยกเป็นสติมันก็สติจ้าท่าวร์สัมปชัญญะสัมปชัญญะมันก็จ้าอยู่ด้วยกันและเราจะดํำริกับอะไรมัอยู่ในนั้นหมดวิทยาอุตสาหะความอดความทน ความภาคความเ พ, พ, พียนธรรมะข้อไหนข้อไหนรวมอยู่ในอันเดียวกันหมดนอกจากเราจะมากาหนดเป็นอย่างๆกิริยาการเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างดูให้เห็นแต่กิริยาการภายในจิตภายในผู้รู้ไม่ต้องเพียบชื่อมันก็ได้ถ้าดึมถึงขั้นนั้นได้ระดับนั้นๆก็เลยสมมุติไปเลยสมยสมุติเรายังเราพเราเราเราพรเราก็มาติดในชื่อนี่แหละ หลังนักเขก็เอาชื่อมันตีกันครับชื่อมันตีกันเลยเกิดข้อขัดแย้งกันอันนั้นขัดแย้งกันนี้ี่ขัดแย้งกันนั้นอะไรทําให้เราเข้าเข้าไปรู้เข้าเห็นเรื่องเหล่านี้จิตดวงเดียวผู้รู้ดวงเดียวเข้าไปรู้ตามรู้เข้าไปสิถึงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรช่านมันคอยรู้ไปกับกิริยาลักษณะอาการเหล่านี้มันจะทำให้จิตของเราขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยไปทํานะไปทําให้มาก เดี๋ยวนี้มันจะมีเนเหลือสักเนเปล่าเนี่ยเห็นในครัวก็เข้าไปเนกันมันเหลือพอสักเนเปล่านอกจากนั้นพระเรามีใครตั้งใจไปเนกันบ้างนี่ก็เหลืออีกปักเดียวเนี่ยจะออกปรรษาเนี่ยพรุ่งนี้วันอุโบสถใช่ไหมพรุ่งนี้วันปฏิโมกหรือวันอุโบสถแล้วก็หลังจากนั้นก็เหลืออีกปักหนึ่งปักเดียวก็ออกปรรษาภรษาต่อ ปักต่อไปก็ปวารณาปวารณานี้ก็ต้องไปท่องกันนะละใหมนะ่เนี่ยสร้างคำปันเตปวาเรมิสกิตเทนวาสิสุเตนวาวันปวารณาท่านไม่ไม่ต้องสวดปฏิโมกจะทําทปวารณาปวารณานี้ต้องวัดทุกคนปวารณายอให้บอกให้สอนให้ตักเตือนกัน เราจะเห็นความสําคัญของธรรมาวินัยพุทธเจ้าท่านปลูกฝังมาเมาให้เราคนเดียวโดดเดี่ยวเป็นคนอยู่ด้วยการดูแลกันบอกกันสอนกันเตือนกันฟังกันแนะกันบอกกันท่านไม่ใช่อยู่โดดเดี่ยวถือว่าทุกคนเอื้อเฟื้อต่อกันและกันทุกสิ่ของพุทธเจ้า ท, ทุกทคนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา อยู่อย่างเอื้อเฟื้อกันบอกแนะกันเตือนกันสอนกันบอกกันแล้วก็ฟังกันแล้วก็อารมณ์มั่นโยกันปณิบานอมพึ่งผาใาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่ต่างคนต้องอยู่ในทิฏฐิมนะทุกคนพร้อมที่จะมาละทิฏฐิละมนะเรื่องทิฏฐิมณะ น, นี่มันเป็นเรื่องที่ไฟไฟปลายของเหตุของไฟซึ่งเราไม่เคยย้อนไปดูต้นตอมัน อันนี้เป็นปลายเป็นปลายเป็นปลายของไฟปลายเหตุของไฟซึ่งพวกเราเลยมาหลงมางมมาเซอร์อยู่กับไฟเหล่านี้แหละความถือเนื้อถือตัวความเห็นแก่ตัวความเป็นเป็นผูดถือเนื้อถือตัวที่ถี่มานะอถ้าเรายอมกันเนี่ยยอมกันแล้วก็ปรับมันเหมือนกับว่ามีคนเช่วควบคุมดูแลเราด้วย เช่อย่างพฤติกรรมกายกรรมวิจิกรรมของเราเนี่ยมีคนเขารู้ก็เห็นช่วยปรับช่วยพูดช่วยบอกช่วแนะชื่อเตือนขอให้เตือนด้วยความเป็นธรรมด้วยความชอบธรรมแต่ทําไ ม, ไม่ชอบธรรมไม่เป็นธรรมนี่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิ น, นัยอย่ามาถือเรื่องจะมาถือเป็นเรื่องบอกกันสอนกันแต่ถ้าหามันเข้ากับธรรมกับเข้ากับวิ น, นัยมีเรื่องสมควรที่จะบอกที่จะเตือน บอกเตือนก็ต้องบอกเตือนด้วยความหวังดีบอกเตือนด้วยเข้าไปตั้งกายกรรมเมตตาด้วยกายกรรมเมตตาด้วยวจีกรรมกายกรรมด้วยเมตตาวิจีกรรมด้วยเมตตาจากนั้นแล้วมนโนกรรมนึกคิดกับใครกับใค ร, ใครต้องตั้งเมตตาเข้าไว้ถ้านใหใจอ่อนน้องเข้าหากันถึงขนาดนี้เราถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขไม่ร้องระแหงไม่กินแหนงะแกลงใจ ไม่เป็นฝืนเป็นไฟเผากันรนกันบางทีก็ไม่อยู่ด้วยกันแค่สามเดือนเนี่ยเป็นไฟเผากันแล้วรนกันแล้วตําหน่งคนนั้นอย่างนั้นตําหนิงคนนี้อย่างนี้คนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนนั้นไม่ดีงั้นคนนี้ไม่ดีนี่ตัวเองไม่ดูอ่ะที่ไปําหนิ้เขาเนี่ยเขาตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติไปถึงไหนตัวเองไม่ยอมดูเขานี่อันนี้โง่มากอันนี้โง่มากตามเขาไม่ทันดอก ตามเขาไม่ทันตกหลุมตกล่องถ้าเป็นวิ่งแข่งเขาก็สู้ก็ไม่ได้แล้วนะถ้าเป็นกระต่ายเขมหมดเขามานอนหลับอย่สู้เต่าก็ไม่ได้ดอกเต่าก็ค่อยค่อยคลานไปเขาไปถึถงถึงไหนก็ไม่รู้ไอพวกไม่ไอพวกงับป่าเหมือนเต่าเนี่ยอย่าไปดุถูกานาะพวกงับป่าเหมือนเต่าเวลาไปมันก็ไปแบบเต่านั่นแหละเห็นไหมเสียท่าไหมกระตายเสียท่าไหม ก็ตายเสียท่าน ะ, ก, ะาก็ต่ายมันจะโดดโลดเต้นโดดไปโดดมาตกหลุมตกล่กลองคักหักแข้งหักขาหักไปมาถึงไหนอ้าวเตาโผล่ไปแล้ว <S <S 1> <S 1> <S 1> พระเจ้านั่งคอยเพ่งเล็งเขาเนี่ยคอยจะจี๋ฉินินทาเขาคอยจะรังเกียจรังงอนเขาคอยมาคิดเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเขาตรนา ง, งานี้อย่างงั้นคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คอยเพ่งเล็งเขา จะจับผิดคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ถ้าเป็นคนที่เขาตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติจริงๆเขารู้เขา้าดีแล้วดีแล้วเราจะทิ้งคนประเภทนี้อยู่เบื้องหลังเราโดดไปก่อนแล้วไปไม่ทันเราโอกเราทิ้งคนพวกนี้ให้ตกหลุมตกล่องค้างอยู่ข้างหลังนี่แหละอย่างไรเขาไปไม่ทันเราโดดเขาเมื่อกขาเต่าที่มันงับปากมันไม่ยอมพูด มันทิ้งให้ก็ตายอยู่ข้างหลังไงใช่ไหมเธอเลยถ้าเราวิ่งต่างขาวิว่งอะไรก็ไม่ทันขาหักแล้วเนะี่ยจะไปทันได้ยังไงขาหักอะไรมันออกนอกลูกนอกทางผิดสินบ้างผิดทำบ้างผิดโน้นบ้างผิดนี้บ้างขาหักแข้งหักไปจะไปทันหมูอะไรไปไม่ทันบางคนมันจะไปเพลินอยู่ข้างนอกหละนินทาคนนั้นนินทาคนนี้ติดเตียคนนั้นติดเตียคนนี้น เขารู้เข้าข เ, เขาก็ย่อเขาก็ยิ้มยิ้มยิ้มยอะเยอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอยู่ข้างหลังแล้วดีดีแล้วดีแล้วเราจะได้แซงไปสบายเนี่ยทุกต่างเบ อ, อดีแล้วเราจะได้แซงไปสบายให้พวกนี้มันโดนดเด่นอยู่นี่สักพวกเราระวังให้ดีกันแล้วท <c oughs> างคนต่างระมัดระวังรักษาการรักษาตัวแข่งกันในภายในแข่งกันเนี่ยเราไปถึงที่สุด เราได้หมดไหมแต่ลรรอบทั้งวันยืนเตือนนั่งนอนภาวนาะขอมันปฏิบัติเราได้หมดไหมเดี๋ยมูเตอเป็นแพ่งเล็งคนนั้นอย่างนั้นเพ่งเล็งคนนี้อย่างนี้อุ้ยเลิกนิสัยเลวสามแบบนี้เลิกใครมีนิสัยอย่างนั้นให้เลิกเถอะเลวสาม่าน่ารังเกียจเดียดฉันเหม็นคลุ้มยิ่งกว่าลายเสียงนะนิสัยแบบนี้ สมควรจะมุดลองไปอยู่ในดินลึกๆไม่ต้องโผล่ขึ้นมานิสัยแบบนี้เนี่ยเอาไปทิ้งให้หมดนะนิสัยที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวสิ่งเหล่านั้นมีนเปนสิ่งที่เราควรชักควรล้างควรกัดขัดควรกล่ามันสิ่งทีเป็นสิ่งที่แม็นครุ้งควรชักควรล้างควรทิ้งเอาไปทิ้งกี่ยนดกี่ยนดเอาไปทิ้งหมดนิสัยแบบนั้นะ อยู่แบบไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บอยู่แบบสงบเงบียบใช้สติใช้สัสมผชัญญาใช้วิรยิยะอุตสาหะควบคุมตัเองตลอดมีสติมีปัญญาควบคุมตัวเองตลอดนนี้นสําคัญที่สุดไม่งั้นไปไม่ทนันเขาวดอกกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็อยู่นี่แหละแล้วก็มัวแต่ไปโทษนั้นโทษนี้โทษที่ไหน ต, ไตัวเองไม่เคยโทษ อ, อะไรขาดตัวบกร่องตัวเองขาดตัวบกร่องไม่เคยสนใจไม่เคยดูแล คนอืก็ทําเข้าได้ตัวเรามาขี้เกียจอีกครั้นแล้วก็หมดแต่ไปเอากิริยาสร้างกรรมที่ไม่ดีกับตัวเองมัน ไ, มได้อะไรมันไม่ได้อะไรดอกความอดความทนความเสียพยายามต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นเที่ยงถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมาประคับประคองช่วยเหลือเรานั่นแหะไม่ไปไม่ถึงไหนดอกไปไม่ถึงไหน เร า, า, าพยามพยายามันเพียงเรารู้อยู่แก่ใจของเราเสียดายเวลาเวลาจะไปนั่งคูยนั่งคุยอะไรกันทําไมเสียดายเวลาจะทําอะไรก็ทําจะต้องไปคุยอะไรในขณะที่ทําข้อวันกันชอบคุยกันคุยทําไมต่างคนต่างรู้แล้วก็ทำเราต่างคนต่างรู้แล้วก็ทําเอาต้องไปคุยกันทําไม เกใจว่าจะทําอะไรจะต้องรับคัดทำถงใจเราทําไมเขาก็ทําเขาเราก็ทําเรามีปัญญาค่าดูกันจะเอาอะไรเราจะ พ, พ, พัฒนาอะไรหรือจะพัฒนาตอนไหนไม่ดูเราไม่พัฒนาตอนนี้น้องมาที่เราแล้วพัฒนา ต, นตั้งแต่ตอนนี้ไปเราจะเอาอะไรความตาย มันดักรอโยนะอย่าคิดว่าเราจะอายุร้อยปีตายนะบางทีมนุษยตายวันตายครุ่งไม่แน่นอนแน่นอนที่ไหนตายตายมาต้องไปเกิดเอาใหม่กว่าจะมาปลูกฝังได้กว่าจะมาแข็งร่างกายเข้มแข็งจิตใจเริ่มเข้มแข็งใช้สติใช้สมรชัญญะใช้เหตุใช้ผลได้เสียเวลาไปเท่าไหร่ ไปแล้วดีไม่ดีแล้วกรรมมันดึงไปแล้วกรรมดีดึงขึ้นมันก็คอยังชั่วเลยกรรมไม่ดีมันดึงลงวันคืนลงไปของกรรมไม่ดีในอบายมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนเกิดมาแล้วมันจำมันจำพบชาติได้ยากเพราะอะไรคนที่ไปไปเกิดในอบายก็เป็นสติริชานเนี่ยชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติแล่วหารอยชาติมันเป็นหนามาเนี่ยหารอชาติลองดูซิ ต่อต่ออยู่อย่างนั้นแหละห้ารอยชาติจนลืมหมดแล้วไอ้พวกชาติที่เคยเป็นอะไรเนี่ยลืมหมดแล้วบางที่ไปเกิดในอบาบัยล็อกจากนร้นลกขุมนั้นก็มามาโทษอันนี้พ้นจากโทษนี้ก็ไปโทษนั้นพ้นจากโทษนั้นก็ไปโทษนั้นกว่าจะโปรขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกลืมหมดแล้วนะไปยังวันคืนโลกไปแต่ละวันแต่ละคืนของพวกนั้นเนี่ยมันยาวนานกว่าเราซะอีก ยังมาเทียบเคียงจะเอาความจำจะเอาสัญญาอารมณ์ในโลกหรือมันจําจําไม่ได้จําไม่ได้หรอกหรือหมดทิ้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ตายปุ๊บเกิดปับป๊บพนนี้จำได้ตายปุ๊บเกิดปั๊บนี่จําชาตได้เหมือนอย่างที่ไล่ฟังวัดก่อนจําชาตได้เพราะสัญญามันยังไม่ลืมแต่ไปเกิดเทววัเทวเทวุฑ เ, เทวนาซะก่อนหรือไปเกิดเปรตสารนรกซะก่อน ไม่ต้องถึงชัดนะเราแค่มากเกินเป็นเป็นเดรัจฉานนีแต่จะเป็นเดรัจฉานเนี่ยบางทีก็มาเกิดเรยวบางทีก็ห้าร้อยชาวกันก็จะได้พ้นจากภาวะนนั้นเพราะมันเป็นช่วงที่ไม่มีอะไรพัฒนาไปอยู่์รับเวียน ร, รับกรรมเฉยๆมันไม่มีอะไรพัฒนาเราสอนให้ยกมือยกไว้ได้แค่ยกได้นี่ยโอ้เจ้าของดีใจจะตายแล้วแค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละไม่ได้อะไรหรอก แท่จริงๆยกมือไม่ใช่อะไรหรอกยกยกเพื่อจะได้จับจะได้อะไรของของที่ชอบของแซ่บของอร่อยทำถ้าเป็นยกนะยกมือเราคีดว่าเราบอกมันรู้เรื่องมั น, ม, นมันเห็นแก่ของเราไปเห็นเขาแล้วหละเขาฝึกปลาลงมาเนี่ยมันใช้ปลาฝึกมันใช้เหยื่อฝึกมันใช้เหยื่อฝึก เราไปเห็นที่แหลมสิงเนี่ยจันบุรีเนี่ยมันสอนให้มันโดดเขาสอนให้มันโดนมาให้มันโดนมาดมแก้มเขาถึอว่าเขาหอมแก้มกับปลาโลมาเนี่ยมันมีเหยื่อล่อนมันมีปลามันมีปลาตัวหนึ่งมันล่ออย่างนี้เลยร่ออย่างนี้มันโดดมาเอามาเอาเหยื่อของมันเริ่มแรกที่มันโดดขึ้นมามันโดดมาเอาเหยื่อของมันมันเห็นปลามันก็โดดมเอาปลาเห็นแก่ปลามันโดดเอาปลา โดดไปโดมโดมาโดดมาโดดไปเขาทําท่าใส่เขาทาท่าใส่ไม่มีเยื่อโดยเหตุที่มันเคยโดดเอามันก็โดดมาใส่ไหมบางทีมันก็มันก็มีมีปลาล่ออยู่เนี่ยมีปลาอยู่ที่ปากเนี่ยมันก็โดดมาเอาเนี่ยมันทําทุกท่าเขาต้องมีปลาล่อมันเช่นอยากเขาให้ทำทำท่านี้เสร็จเพราะทำท่าเสร็จแป๊บหนึ่งเขาให้รางวัลมันทําเสร็จแป๊บมันให้รางวัลมัน มันเห็นเกลังวัลเนี่ยมันมาทํำก็เหมือนอย่างที่มันทํานี้ยเงี้ยเนี้ยเนี้ยเมันทําเพื่อที่จะมันคอยเหยื่อเนี่ยคนมันฉลาดเนี่ยคนเน่ยมันเนี้ยมันก็เอาดนตรีไปใส่ซะมันก็ว่าลมมาร้องเพลงโลมารําเต้นตามจังหวัดมันจ่อปากมาเพื่อที่จะคอยเอาเหยื่อเนี่ยก็ฝืกได้แค่นั้นน่ะ เื่อ แ, แคนั้นแหลอะอย่าไปอย่าไปคิดอยู่จะฝึอกอะไรได้มากมันฝึกได้ไม่มากหรอกอใครใครไม่ระวังนะ่ะตกไปอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันไม่มีเวลาที่จะสร้างการรมดีดอลยดูที่มาวัดเราดูที่เรียให้มัอยู่ด้วยกันกัดฉี่กันยืนจะเป็นจะตามันรู้จักพี่จังน้องมันที่ไหนใส่มันรู้จักที่ไหนมีรู้น้อย สัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดมีน้อยมีแต่สัตว์เกิดตามบุญตามกรรมพระโพธิสัตว์ก็มาเกิดตามวรรคตามบุญตามกรรมกันพระเจ้าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยก็ไปเป็นสัตนู้นไปเป็นสัตว์นี้ไปเป็นช้างไปเป็นลิงไปเป็นอะไรเนี่ยเช้าเป็นลิงพระโพธิสัตว์นะไรเกิดชาติไหนก็เป็นหัวหน้าเขา เกิเป็นช่างเป็นหัวหน้าเขาเขาคุมดูแลช่างช่างหลายครอมีปัญญาเหม า, าเขาปก้องข้มครองเขาเป็นลิงเงี้ยเป็นลิงเนี่ยวอนหย่ยางที่ตอนเป็นลิงพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นลิงมีมีมลูกสามมีลูกสามตัวมีลูกสามตัว มีลูกตัวผู้สองตัวลิงตัวนี้มีพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยตัวหนึ่งเออเป็นตัวหนึ่งตัวหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เลี้ยงแม่เลี้ยงแม่ตาบอดเลี้ยงแม่ลิงแม่ลิงตาบอดเลี้ยงแม่ลิงตาบอดมีวันหนึ่งนายพรานไปเห็นเนี่ยกำลังกินอยู่ยอดไม้นายพรานไปเห็นนายพรานไปเห็นนายพรานไปเห็นก็เห็นตัวแม่ลิงตัวแม่โดดนี้ไม่เป็นเนี่ย ในพลั ง, ลงกลางโกงถนนยิงๆ่ะอ่าคนคนคนพี่ออตัวพี่ตัวพี่ก็ไปขวางทางก่อนอย่าฆ่าแม่เราอย่าฆ่าแม่เราเอาตัวเองไปขวางเขาก็ฆ่าเขาก็ฆ่ า, า, า, า, าตัวตัวตัวพี่ซะก่อนต่อมา ยิงพโพธิศัต์ไปขวางอีกอย่าฆ่าเราอย่าฆ่าเราอย่าฆ่าแม่เราอย่าฆ่าแม่เราฆ่าเราดีกว่ามันก็ไม่ฟังหรอกยิงต๊อกต็ยิงปั๊บตกไปแล้วสองตัวแล้วตกแล้วได้สองตัวแล้วได้ลูกทั้งสองตัวแล้วต่อมาเหลือแม่แม่ตาบอดเนี่ยแม่ลิงตาบอดยิงแม่อีกยิงแม่แม่ก็หลบหนีไม่เป็นที่ไหนปั๊บตกตกุกได้ลิงสามตัว ได้ลิงสามตัวหาหามกลับบ้านในระหว่างที่ข้าลิงอยู่นี้เนี่ยไฟไหม้อยู่บ้า น, น่ะครอบเมียกับลกูกตายตายหมดอยู่นู่น่หมดทั้งบ้านหมดทั้งเมียหมดทั้งลกูกบ้า น, นไฟไหมฮ <c oughs> ะกาลังหาบลิงสามตัวนี่กลับบ้านอย่างกลิมยิ้มย่องในใจเละไปที่ไหนหบ้านโอ๊ยเขาวิ่งมาตามไฟไหมหมดแล้วลูกเมีย แล้วนี่หายไปหมดแล้วนในในกองไฟนั่นแนหะไปที่ไหนได้หมดลกูกเมียก็หมดโลกก็หมดบ้านก็หมดดูเมืนมืนคนคนนี้อยู่ไม่กี่วันถูกกันดินสูบหรไงนะจักลืมลืมนั่นแหละไอ้ลกูกไอ้ไอ้ตัวคนที่ไปยิงเนี่ยผัวที่ไปยิงเนี่ยลืมจักลืมนันถูกกันดินสูบเปล่าเนาะ นายสุก็ตายหมดไปยิงลิงที่ดูแลแม่ดูแลแม่ดูแลแม่ลิงแม่ลิงตามบ่อยถึงตอนนั้นก็ตามก็ยังมีผลมีผลมีอนิสงฆ์ทำให้ตกนรกถึงขั้นว่าเอ้ดีเราเป็นดินสูงนะนายคนนี้เนี่ย ก็ดินแยกแล้วโตก็ดินสูบไปเลยแหละนี่คืออะไรครคือพุติกรรมให้ความ เ, เดือดร้อนแก่คนอื่นทาตามหน้าของความอยากความอยากมันปนิประยใยที่ไหนก็ดูที่มันอยากขอใได้ขอใได้ขอใไ ด, ได้ใครทุกใครเดือดร้อนช่างมันมิสัยของพระโพธิสัตวท่านทําอะไรท่านคนําดินถึง จิตใจบางคนอื่นเป็นใหญ่ถ้าจิตใจเขาว่าคนอื่นเป็นทุกข์อยู่ก็<ร>พยายามทําทุกอย่างให้เขาพ้นทุกข์ให้เขาพ้นจากความทุกข์เขาเนึกผิดเขาคิดผิดเขาเข้าใจผิดแล้วเขามีความทุกข์พันอยู่ที่หัวใจของเขาถ้าพยายามแนะพยายามบอกพยายามสอนให้เดือนพูดด้วยเหตุผลง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆ เพืจะได้คลี่คลายจากความทุกข์ที่มัดหุ้นห่อจิตห่อใจนี่คือวิสัยขอ ง, ของพระโพธิสัตว์มีเร mm. ื่องจะต้องช่วยเหลือด้วยสิ่งด้วยของด้วยน้ำด้วยนี้ด้วยวยวิธีอย่างไงช่วยหมดนะไม่ได้เห็นแก่ตัวทุกยากลําลบากนะยากลาบากขนาดไหเอาตัวเองเป็นประกันเป็นรองได้หมดข่าเราข่าเราข่าเรา เราเราตายให้เราตายซะ ก, ก่อนก็ เ, เหมือนอย่างลิงที่เขาฆ่าแม่โดดขวามซะก่อนยิงเราซะ ก, ก่อนยิงเราซะ ก, ก่อนเขาจะไปฟังอะไรขอร้องเขาอย่ายิงแม่เราแม่เราอย่ายิงอย่ายิงไม่รู้สัตว์ในนิยายพูดได้ <c oughs> สัตว์ในชาติเอาพูดได้นะอพูดได้เพื่อเป็นคติสอนใจให้กับพวกเราพวกเราฟังฟังใช้ปัญญา จะพูดได้หรือไม่ได้ก็ตามเราฟังเอาคติเรารู้เอาคติเราศึกษาเาติอะไรคือเรื่องดีเรามาถือมาปฏิบัติอันไหนไม่ดีเราดัดเราเปลงเราดัดเราเปลงเราลบเราล้างเราทิ้งเราทิ้งไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่เราจะไปทิ้งตอนไหนทิ้งไม่ได้หรอกทิ้งตอนที่เราไม่ไม่รู้อยู่โอกาสที่เราเระลึกได้แล้วมันอยู่ในท่าทีที่พร้อมที่จะ ที่จะปรับปรุงที่จะดัดแปลงเราไม่เอาตอนนี้ไม่ได้โอกาสนอกนั้นไม่รู้จะเอาตอนไหนไม่มีโอกาสโอกาสที่จะสํานึกระ ล, ลึกได้รู้สึกตัวได้มีน้อยมีน้อยมากบาทีไปอยู่ในแวดวงที่มิจฉาทิถิด้วยกันมิจยุ ก, กันยุ ก, กันเราตกลึกมาแล้วขนาดนี้ทูกเขาซ้ําเต็มลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกลึกถึงขั้นเอเวจีวมานารกมันก็ไม่รู้สึกตัว มีนจะเกิดซ้ำเติมตัวกรรมของตัวเองอยู่ร่างไปไม่มีจบน่ากรววเวลาให้โทษมานี่ยน่ากรววเราต้องใช้ภาวนากิริยาหยมจิมผิวเผินอย่างอื่นมันจะถูกรถถูกละถูกเลดไปง่ายกว่ามันมันรคไปหมดเลยมันโรคนิสัยไม่ดีนิสัย ใ, ใดก็ตามเดือดร้อนคนอื่นจุด ลิกนิสัยใดก็ตามเห็นคนอื่นเดือดร้อนเราจะช่วยแก้ไขเขาได้ขอให้เขาเขาคลายความทุกข์ความเดือดร้อนเอาตัวเอาตัวเองไปช่วยเอาตัวเองไปจัดเอาตัวเองไปทำอันนี้เป็นนิสัยเป็นนิสัยสร้างบา ร, รมีสร้างบา ร, รมีสร้างบุญกุศลก็สูงใหญ่ระดาบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระอริย มันก็เป็นการสร้างบา ร, รมีด้วยการนั้นเราจะใช้คำอื่นไม่ได้ใช้คําาสร้างบุญสร้างบุญสร้างบา ร, รมีสร้างบุญสร้างบา ร, รมีที่ท่นพูดถึงบา ร, รมีแล้วท่านทำหน้ากันหมายความว่ามีข้อปฏิบัติเต็มเปี่ยมแล้วไม่ทำ เ, าเราปรารถนาเป็นพระโพสสัตว์แล้วไม่รีบเลยราไม่รเร่งใครอยไปก่อน เ, เราไปเราไปตอนไหนก็ได้นะ มีเมียให้สนุกซะก่อนมีผัวให้สนุกซะก่อนทำนู้นทำนี่ให้สนุกซะก่อนนะ่นถ้าเป็นการสร้างบารมีแบบนั้นเขาว่าเอาคําว่าบารมีมาใส่เฉยๆตัวเองยอมยอมที่จะอนุโลมผ่อนผันทำตามอามนาจกิเลสคือชื่อว่ากิเลสมันไม่เคยปฏิปนองใครไม่เคยปฏิปไต่ใครดอก ไปทำเท่าไหร่ก็มีผลเพิ่มเท่านั้นแหละทำเท่าไหร่ก็มีผลผลเพิ่มเท่านั้นทำเท่าไหร่มีผลเพิ่มเท่านั้นสำคัญที่เราจะระลึกรู้สึกตัวเราได้ในสำคัญที่สุดระลึกได้รู้สึกได้ต้องเด็ดต้องเด็ดจากนี้ไปแบบนี้เราไม่เอาเด็ดขาดเอาความตายเข้าใส่เลยอย่างนี้เราไม่เอาเด็ดขาดเรายกเราเลิกเราเว้นเราละไม่ยุ่งเด็ดขาด ถไม่ตงใจเด็ดแน่นเหน๋ยวแน่แ น, น, นขนาดนี้เราไม่อยู่นิสัยสัญดานขอเกลนะใจมันด้านด้านยิ่งกว่าอะไรด้านจนไปสัญดานด้านลงมาด้านดื้อดื้อกดนงไปด้วยกันดื้อดานมันด้านจะทาอะไรไม่เป็นมันด้าน ใสดื้อด้านจนธรรมะเอาไม่อยู่ ห, หมดเป็นลูกสมุนของนรกอาวเอชีอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วยัง ใ, ใครช่วยพระเจ้านะัช่วยไม่ได้ดอก ว, วังจะเกิดทันพระเจ้าองค์นั้นองนี้วังเฉยเฉยมันไม่ได้ดอกคนไม่สมควรพบพระเจ้ามันไม่พบดอกคนไม่สมควรพบพบพระเจ้ามันไม่พบเพราะมันไม่มีบุญที่จะได้พบ คนที่เขาจะได้พบพระเจา้าเขามีบุญแต่เขาจะได้พบเราไม่เรียบเร่งบำเพ็ญขวนขวายเอาเป็ทำตายเข้าใส่ตั้งแต่ตอนนี้ไปเราจะเอาอะไรเป็นหลั ก, กเป็นประกันขอที่จะพบพระพุทธเจ้า ไ, ได้เราไม่พบในตอนนี้ด้วยเหที่เราเรียบเร่งบำเพ็ญเนี่ยอันนี้สมมันมีเราตั้งใจทำแหละอันนี้สมมันมี อันนี้สองนี่แหละมันค่อยมาคอยจําแนกแจกสรรจัดสรรให้กับเราไม่ต้องเรียกร้องถึงคราวช่วยไม่ต้องเรียกร้องหรอกยิ่งเราทําจนกลายเป็นนิสัยทำจนได้นิสัยนี่แหละเป็นหลักประกรันนิสัยตัวนี้แหละเป็นหลักประการให้กับเรานิสัยตัวนี้แหละให้เราลงพูนลงพันอยู่เรื่อยๆหนึง จะทำให้เราไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจเราโมนแตประมาทเราไม่นนอใจไปไม่ถึงไหนเลยไปไม่ทันใครเลยเราพูดถึงเราพูดถึงไหลเราพูดถึงภาวนาเลยลุกลกมาถึงนี้ภารนามีความจําเป็นกับพวกเรามันเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้านามาใช้มีประโยชน์มากมหาศาลในวงการคณะอุปัชฌายอุปัชิกายในหมู่ของเราเราอยู่ แม้แต่เราอยู่ในบ้านในช่องอยู่ในกลุ่มงานของเราเราใช้เรื่องเหล่านี้ประวัตินาประวรณนาก็เราเข้าใจง่ายๆว่าคือวิธีบอกกันแล้วก็ฝังกันบอกกันเตือนกันแล้วก็ฝังกันมีแค่นี้แหละบอกกันเตือนกันแล้วก็ฟังกันเห็นทําอะไรเป็นเหตุให้ผิดให้พลาดบอกกันเตือนกันคนที่ถูกบอกก็ต้องฟังกัน แต่ส่วนบางที Par ่มันไม่ทันมันนะที่ถิมันะมันมีเพรเวอเพราะวอร์ใส่เพาะงูเห่างูสาเนี่ยปุ๊ปั๊ก็เพอร์เวอร์ใส่ใครเป็นโรคไปแตะหลังไม่ได้แตะหางก็ไม่ได้ไม่ต้องไปถึงแตะหลังอะแตะขานแตเพร์เวอใส่วดอั้งแตพิษอยู่ข้างใเนี่ยหวดอั้งตะกีเหียมตัวมันโตกว่าตกี้เหลี่ยโตกว่าอยู่้างนเพรเวใส่ เราวังให้ดีองเนี้เรามาเที่ยบดูในหมู่เราใครมีอย่างงั้นใครเป็นอย่างนั้นมือนหน้าตะพุดตะพืนไม่ยอมรับทิฏฐิมาลนะหาความสุขมาอย่างไรตัวนั้นมันเป็นตัวไฟตัวฟืนตัวไฟเป็นเป็นลูกสมุนของกิเลสทั้งนุนโอกาสจะจะระลกรู้สึกตัวได้นนเห็น้อยมี น, อน้อย เราศึกษาธรรมะซึ่อเป็นเครื่องชี้วงบอกมาให้กับพวกเราเนี่ยเพราอที่จะเรืรู้สึกตัวทุ ก, กบททุกบาททุกอย่างทุกเรื่องตั้งแต่กิริยาภายนอกไปจนถึงกิริยาภายในกิริยาจิตที่ทำงานอยู่ข้างในมันมีเียาต่อสู้กับมันทั้งนั้นแหละอยู่ด้วยการต่อสู้ ท้าไม่ต่อสู้มันก็คนตายตายทั้งเป็นมันก็ปลาตายลอยทุ่ป่องทุ่นป่องทุ่นป่องลอยชีวิตไปตามบุญตามกรรมได้ไรก็ได้กิจกรรมเร็วๆเพิ่มขึ้นเลยแหละมันก็ปลาที่เน่าแล้วมันลอยทุ่ป่องทุ่นป่องทุ่ป่องไปไปติดกองสวะในกองสวะมีแต่ของเน่ามันมันจะไหลไปตามกรรมกรรมมันพาไหลไปนะั้น ตายแล้วมันก็นหลายไปตามอำนาจของกรรมในระหว่างที่อยู่นี่ก็ทูกกรรมพัดพาไปไปเจอแต่พวกนั้นแหละไอ้พวกที่มีกรรมเหมือนเหมือนกันพฤติกรรมเหมือนเหมือนกันเราเขียนเาหลังไหมหน้าเข็นหน้าหลังไหมใช้ปัญญาพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษแลวก็ตั้งใจทำสิ่งที่เป็นคุณยำรักพยายาม ลดพยายงมเลิกเลิกให้ได้ในสีที่เป็นโทษนี่คือผูเฉลาดเหมาะสมสมควรที่ตัอ้ง อ, อกตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมธรรมะของพระพุทธเจ้าคู่ควรกับครอบคราหารที่เราอยู่ ล, ลววราผินเราโคมเราฉันไม่เสียท่าเสียทีเกิดเป็นมนุษย์ในศึกษาในพระพุทได้ปฏิบัติในพระพุทธศ า, ศ า, ศา ส, สนา พิจารณทีไรเมื่อไรก็เพิ่มพิจิตาาิยั น, ย น, ด, น, นาายดิยินดิพิจารณาทีไรเมื่อไรก็เพิ่มพิจิริยันดิยินดีมีที่เรื่องที่จะเพิ่มปูนทงอิคุนความดีงามใกับตัวเองอันอนี้เหมาะสมที่สุด<ม>คู่ ค, ควรกับผู้มีปัญญาพิจาราเห็นคุณเห็นโทษแล้วตั้งใจถือตามนี้ประพฤตามนี้ปฏิบัติในตามนี้ความดีตั้งใจ ท, ทําเถอด ไม่มีเสียเปรียบไะไเปรียบใครหรอกขอให้เราตั้งใจทำดีทำดีกับคนอื่นทำดีเพื่อตัวเองมันก็คือทำดีแต่อย่าไปทำเร็วกับคนอื่นเพราะความเห็นแก่ตัวคนเราเห็นแก่ตัวมันถึงทำเร็วกับคนอื่นชว ง, งนั้นชวนี้ยกนั้นยกนี้โชว์า็ที่จะ กดเขาชูตัวที่จะข่มเขาไม่เคยดูที่ตัว ท, ที่ติดตัวมาหนะาดว่าดีดอ้าสมควรแก่เวลาวันนี้สามทุ่ครึ่ง